บัณฑิตย่อมฝึกตนพุทธะวัจนะเคยมีโอกาสได้ไปชมการแสดงเสือเขาจับเสือมาเอามาฝึกแล้วก็เอาออกมาแสดงให้กับ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 เอามาแสดงพร้อมๆกันไม่ถึงว่าทั้งทั้งสิบตัวไม่ไดเอามาแสดงพร้อมๆกันแม้ว่าเขาจะเอาออกมาพร้อมๆกันเป็นสิบตัวแต่เขาจัดจัดระบบให้เสือนี่นั่งให้เรียบร้อยนั่งอะไเรียบร้อยเนี่ยจับเสือนั่งเรียบร้อยนี่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่า ย, ายๆแล้วนะให้เรียบร้อยนั่งเรียบร้อยแล้วก็แสดงทีละตัวทีละตัวตามลําดับก็อชอบวิธีการฝึกเสือสอนเสือ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 แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็สังเกตเขาเขาก็ไม่ประมาทนะเขาต้องมีอุปกรณ์เอาไว้คอยระแวดระวังแล้วก็ต้องมีผู้ช่วยเพราะว่าถ้าเขาเผลอเนี่ยหันหลังให้เสือเนี่ยมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนกันเขาจะสังเกตดูเนี่ยสีหน้าตต่างๆสังเกตดูเสือว่าตัวนี้มันอารมณ์แบบเนี้ยมันพร้อมที่จะเอามาแสดงได้ไหมหรือเสือที่สงบนิ่งนี่ก็ยังไม่ไว้ใจนะ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 ธรรมชาติของเสือก่อนต้องเข้าใจธรรมชาติของเสืออันเนี้ยเป็นข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าเราต้องมีความคุ้นเคยกับเสือรู้จักธรรมชาติมันเข้าอย่างเดียวยังไม่เพียงพอนะต้องทําความคุ้นเคยอันเนี้ยสองข้อเนี่ยถือว่าที่เขาบอกมาเราก็เข้าใจอ๋อการฝึกเสือมันก็เหมือนกับการฝึกจิตของเราบางทีจิตเราเนี้ยมันร้ายยิ่งกว่าเสือด้วยนะ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 เราไม่เคยคุ้นเคยกับจิตเราต้องศึกษาธรรมะจากการอ่าน mm. การได้ยินได้ฟัง mm. การสนทนากับท่านผู้รู้พระพุทธองค์ท่านตรัสไล้ว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันดิ้นรนกัดแกว่งห้ามยากรักษายากแล้วก็มักจะตกไปในอารมณ์ที่ใคร่อันนี้คือธรรมชาติของเขา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 คืออาการกวัดแกว่งดิดน้นรนไม่นิ่งจะให้จิตมันสงบเนี่ยมันมันเป็นไปได้ยากมากยิ่งบังคับให้มันสงบมันก็ไม่สงบหรอกมันยิ่งดิดน้นรนมันยิ่งกวัดแกงเนี่ยธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นชอบคิดชอบรู้ธรรมดานะเราอย่าไปโมเมว่าโอ้ทำไมเราเป็นคนอย่างนั้นทําไมเราเป็นคนอย่างนี้ไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของจิตเขาทําของเขาเอง เราศึกษาธรรมชาตของจิตออกเป็นอย่างนี้เองได้จะสังเกตดูจิตจะดิ้นรนไปทางไหนก็ดิ้นรนกวัดแกวงไปทางที่รักที่ใครชอบสิ่งที่สวยสวยงา ม, งามที่ปรากฏทางตาชอบเสียงไพเราะที่มาทางหูชอบกลิ่นหอมหอมไม่มีใครชอบดมกลิ่นเหม็นหรอกชอบดมกลิ่นหอมหอมนะชอบรับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อย ถูกปากถูกใจชอบการสัมผัสที่นุ่มนวลเสียวซ่าอันนี้คือธรรมชาติของจิตชอบไปอย่างเงี้ยชอบคิดในสิ่งที่ทำให้จิตมันตื่นเต้นถูกอกถูกใจเรว่าร้าใจชอบสิ่งที่ร้าใจคือธรรมชาติของจิตก็ดิ้นหลนกวาดแกวงไปทางอารมณ์ที่ใคร่ที่ชอบเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆที่นี้เรารู้จักธรรมชาติของจิตแล้วว่า นินร์กัดแหว่งห้ามยากรักษายากชอบตกไปสู่แนวลมที่ใคล้เนืองเนืองเองสมอเราก็มาดูวิธีการฝึ ก, กจิตอีกแบบหนึง่งก็ว่าเราต้องคุ้นเคยกับจิตของเราเพียงแค่เข้าใจธรรมชาติยังไม่เพียงพอนะนั่นแค่รู้จํารู้จักแต่ยังไม่รู้แจ้งจึงจะป็นต้องมาทาความคุ้นเคยกับจิตของเราตรงนี้แหละที่ว่ายาก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 โอ้มีสติรู้ทันเนอะจิตเรานี่ยมันพอใจแล้วนะมันเกิดความรักเลยนะเดี๋ยวจิตเราก็เกิดความโกรธไม่พอใจกลุ้มอกกลุ้มใจโอ้นี่จิตเรานี่มันไม่สบายใจแล้วนะมันหงุดหงิดมันกลุ้มแล้วมันทุกข์แล้วจิตเราเนบางทีจิตเราก็เกิดอาการที่มันมีความกลัวกลัวผีกลัวสัตว์เลื้อยคลานกลัวทุกข์ภิกขะไพกลัวภัยพิบัติ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 ไม่ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไม่ไปไปเปลี่ยนแปลงเรื่องของจิตแต่รู้เท่าทันอ๋อจิตเป็นอย่างนี้เนาะแสดงความคุ้นเคยความคุ้นเคยเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจอย่างที่พุทธองค์บอกว่าความคุ้นเคยเนี่เป็นญาติอย่างยิง่งวิสาสะปรมายาสะความคุ้นเคยเนี่เป็นญาติอย่างยิง่งเราคุ้นเคยกับจิตของเราเนี่ยเราก็จะเกิด อ, อาการเชื่องต่อกัน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 มันนึกอยจะคิดมันก็คิดมันจะหยุดมันก็หยุดบังครั้งไปมันหยุดมันก็ไม่หยุดบางทีมันก็รู้บางทีมันก็ลืมบางทีมันก็ไม่รู้นี่โอ้ในเรื่องของจิตทางนั้นเมื่อเราคุ้นเคยบ่อยๆเราก็จะเข้าใจจิตไปเองก็มีนะมีญาติธรรมมาถามปัญหาแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่เคยเจริญสติเลยไม่รู้จักคําว่าสติเขาเป็นคนที่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 ไวต่ออารมณ์เห็นไหเพอจิตมันหงุดหงิดปับ๊บอูรู้ทันเลยพอจิตมันพลิกไปสู่ความไม่พอใจปับ๊บรู้ทันเลยมันไวต่ออารมณ์ที่กระทบเข้ามาถึงจิตเลยไวยคือเรียก ว, ว่าเราทำไมเราโกรธไวไม่ใช่หรอกเราเห็นความโกรธได้ไวต่างหากเนี่ยธรรมชาติของจิตไวแต่ไม่ไหวตามเหม็นไมไวแต่ไม่ไหวตาม พอไม่ไหวตามเววดาลมโกรธปับ๊บความโกรธมันก็ดับไปได้ไวเพราะจิตไม่ไหวตามแค่ไวัยแล้วรู้เฉยๆเยนะี่ยไม่ไหวตามอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตซึ่งไวแต่ไม่ไหวตามรู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปจึงเรียกว่ารู้ไวัยโกรธวแต่ก็หายวัยเหมือนกันอันนี้เป็นการตามความคุ้นเคยกับจิตเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วเนี่ยจะไม่เรียกว่าการฝึกจิตก็ได้